เมื่อว่าถ้าเอานาขึ้นเทียนในกองแล้วเขาก็เผาใส่ไปกันจนจุดไฟไม่จุดแต่ว่ารู้เส่าว่าจุดของพระพุทธเจ้ายังไม่อยู่จักต้องรอธรรมหายทัศน์ศพเพื่อไปตัวดงให้กรรมหายทัศนมาถึงมาก็จุดไปได้ไหนเป็นอันว่าธรรมหายทัศน์ที่ในฐานทางบุรุษคนนั้นหลบทางไปตัวสีรายหมาณคอนละไปตรงไหนในพระอยู่าเนปกติเท่าไหนขา เมื่อก็บอกทายให้พระมหาเถรศกเสนพารดาสะสมนั่งหลายเป็นเมืองกุกินารามาหาในอดฉันได้ยินแล้วเสนพานดาสะสมนั่งหลายซึ่งสูตรตอนก่อนคือเขาไม่รู้มากจนทำไมเขาถอดว่าการตัดสินไม่พอใจึุณเป็นแล้วไปทร้มหาเปรศกนั่งอยู่เรื่องต้นท้าวพระองค์สมเด็จพระราชาเจ้ เพื่อสดเพราะท่านอย่างนี้ตั้งมันเพรียกรมนเมรุก็พันเนื้สวยงานเป็นมีวิเศษนำสริราชตาพระองของเดชพระบรมโลกในเคร่อดีหอด้ั้งรีห้าร้อยเอาว่าขาวหอห้าร้ยชันหลับกันนท่นดีหนึ่งชันแขาหนึ่งชนนดีหนึ่งชันแต่าหนึ่งชนรวมห้าร้อยาันสองอย่างเป็นทันทานไม่ลาไม่ลา กอวาใน้ีบตกพายเอาน้มันใส่ให้เต็มวางไว้ในหีบทองพันหนึ่งแล้วก็ไปตั้งไว้บนเชิงตะกอนเพราะนั้นว่าพญาร่าตายขาออกหาสมเด็จไรจินาวรมรณะกันได้เขาไม่ได้หนเมื่อพระมหาได้ตึกขึ้นไปบนเมในกางน้นขึ้นไปตัองบนเมงน ก็เป็นนั่งอยู่ทางด้านปลายข้าพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงกราบคาดานกายขอกมาโทษะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าว่าคันเตพรวาข้าพองค์สมเด็จพระพูทมีพระข้าเจ้าผู้เจริญพระเจ้าองค์สมเด็จพรมาหาคุณนาที่คุณมีคุณใดข้าพระพุทธเจ้ามาสมเด็จพระพูทมีพระข้าเจ้าทรงมีมหาคุณนาที่คุณโ่วยข้าพระพุทจา นักปวาระแรกที mom, he ่เข้าถีในตอนต้นองค์สมเด็ิพระทศกัณฐ์ก็ให้พระสมบัติท่านตถาคตทอดให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวลานี้ซึ่งเป็นนักอธรซึ่งเป็นพญานาอยู่ทุขก็ไ้่ายถ้าพรเจ้าเวลาที่ซึ่งเป็นนกมซึเป็นพญานาญอยู่ทุกขเขได้จ่ายก็ได้ทรงมอบรังานพระโอวาทให้เจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติการนั้นจนได้เป็นอรหันตานิวรรด ความเดียวนี้เป็นคณอันใหญ่พระองค์สเดจพระจินัฏฐ์บรมมหาสนาท่านมาพระพุทธเจ้าที่ละยิ่งไปกว่านั้นแม้ข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิบัติพระดรงศวัดสมเด็จโตทรงสวัสดีโรกทาก็ไม่ได้เห็นแต่ความเนื่อยยากในความที่อยากสอนส้ด็จพระินาวรได้สอนดงศวัดด้วยความแต่ใจข้อพระพุทธเจ้าใหญ่ย่อมต้องรู้เข้าใจ ยี่ได้นาคำสัสอนนี้มาฉันบรนทัศน์สอนก็มันด่าพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีความพอใจในสุน陀ตวัดแต่นั้นว่าพระคุณกองส์เด็กคนสวัสดีโสภาคล้่นหรือเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าจะทำงานแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีความเลวอยู่สุดหนงคือขัดต่อว่าพระพุทธบาทสองก็องค์เด็กพนถัดมาของพระพุทธเจ้า เ่าวัดนับไหนังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนางเกินกว่ากาเดอนเล็กน้อยในวันนัข้าพระพุทธเจ้าเมื่อจากคุณลาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะออกไดินแตพระพุทธเจ้าก็มีความพระพุทธบาทสงทรงห้ามกานว่าสักประปาดูกรกับเอ่ก็แสแล้วแสบมากแล้วก็กเแสบ เวลานี้การพูดวงคงเคยวนกับทักหน่อยแล้วเพราะวการปฏิบัตเป็นแบบจำบับจดจำบรรดาประสองคนั่งไหลขึ้นมาในภายหลังเป็นการเปลี่ยนคอร่างกายมันแต่แม้ก็จะมีใจดีแต่การไปเดินไปในฝานนี้เราต้องใช้ตายเป็นทั้งค่ำไม่ไ ด, ไไดีใจดีใจไปไดีใจด้วย ในกายเนี่ยกายมีกายด้วยกายมันจะต้องช่วยการเดินไปสู่ที่ทางไกลความลึกแลบาัดย่อมเป็นที่ลำบากเพายเข้ามืคนีต้องอยู่แล้วต้องใช้กำลังตายเป็นปกติเพกนั้นสัมผัสเรจงอยู่ในความมวสุรักกามีมนต์รักาการแต่สาระก็มันดาบปรชาทีรีีฟางคอรบในเราพื่อแตสนน ล้วกะประท้าคดอายุไล่เรียกันต่างคนต่างอแบนีและอยู่เป็นเื่อองกษตรกรพะเราก็แก่เธอก็แก่จะได้เป็นที่ร้สาหาเพื่อลยสในตอนนี้ท่านลองทานรู้จิตละเบียบในตอนต้นทยอเพราะนั้นว่าในตอนมั้นาพระพุทธเจ้าไม่เชื่อถือพระองค์ทรงท้องว่าให้อยู่รับการฆรวาสจากชาวว่าจะรับการนิมนต์หรือว่าั แะ่การแจกธรรมแล้วก็อาศัยคามกรุณาพระองค์สมเด็จท่านที่จัมาบรมศาสนามีเถ้าทอดเราก็ะได้แต่ข้าพระพุทธเจ้ารู้จักว่เป็นสาว่าททนตนเป็นคนไม่ดีที่ไม่ยอมปฏิบัติารคาแนะนำของพระองค์สมเด็จทวยเพสิบมาสนามีเถ้าทอดก็จะไจ้ที่มีพระบหาคกรุณาพิชุตแก่ข้าพระพุทธเจ้าในวันนั้น พระพธเจ้ายังมีจิตใจด้วยด่างหรว่าตามรันตธรรมรงแตว่ายัได้เป็นแบบปฏิกิก็มันดาพระสงฆ์ั่งหลายที่มาลุ่นหลังต่อขงเามเด็จพระจอไตรมูมณานดทามาพะุทธเจ้ารืว่า้ารทาไม่เชื่อนสิ่งคามรามสมเด็จพระมานณฑาท่านได้พระพธ กลับมีพ ร, ร, ร, ระไมนมีพระมาหาุนากรมโสดาว่าจับข้าอย่างนั้นตาพาขกอต่อใจเตแต่ได้ว่าเวลานี้ข้าฉันกติร้อนเธอและมันหนมากข้าฉันกตีร้อโต้พาข้อิยังมาอยู่องค์รัตนพร ะ, ระ เ, เรมาคูจะไม่ทงมอบข้าักร้อนแก่ท้างเด็กสาจให้เรานำข้านกตีร้อ้าไว้เจ้าไ ป, ไปทรงคองเอ ทั้งหมดนี้เป็นความดีก็สมกับเป็นนายสีคนมาฝากธนาสมัยทำบริจาคแต่การที่ข้าไม่กล้าไม่รับปฏิบัติกามเป็นความเร็วตามของข้าเาไม่ได้ใจการฟังตอนนี้นะเขมันดาท่านุู้บริษัททังบันดาที่เกิดขึ้นในนุมบาตุบริษัทเราฟังแต่ก็ต้องจฟังแต่เรื่อง ให้จิตตามคิดตามไปด้วยการเทศในอดางนี้มันก็ยากยากโดยจิตัดยยากที่เราจะเทศพร้อมกันได้เพราะมันดึกนเสียไวและก็เสีดวไมดีนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกตอนเวลาผมเทศฤษีมาบอกด้วยจะไปอยาหาบอกสมดมากเกี่ไปแต่ความจริงนี่เราอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียแดแบบนี้ถ้าเวลาเทศอาจจะรู้มาเป็น เ, เรื่องเต็มเรื่องนี้เป็นบางคามกริงตามรัมบาลีทันย่อไว พระมหาจักรพรรดิสระปูนวโอสมุดในจอไใจถึงโคตของตนอาจารย์ที่ในที่อ่นทำเงี้ยนำขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าปรมาจารย์สัมมาสัมพกทธจ้ารี่ถ้าผู้เอย่างชาวบ้านก็ไม่มีโทษเลยและผู้เ็นอย่างคนเลวก็ไม่มีโทษเพราะว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อ้ามโดยตรงแต่ดับยังนั้นน้ำมาแป็นสบู แต่มากแล้วนะครัาตกแก่อยู่นเื่อปแต่พะมหาไหกสก็ทรงเยี่ยัอย่างมการปฏิบัติอย่างนี้เมื่อผลอย่างเดียวคือแม่จะโตั้ลำบากก่าต่างตีการปฏิบัติแม้เป็นบาปย่ำบาปก็ตามพระองค์เด็กพระที่ังเด็กไปลว่าในสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระองค์หนึ่งที่มีรงระวัตเป็นปกตินั่นคือพระมหาเหกัส หรือตดงเปนหล่าถือจท่านทาอย่างเดียวเพื่อเป็นแบบความจริงท่าเป็นอะไรของแท้มาคงะออกแต่ทาเพื่อเป็นาพราะอนหลายที่พอใจในตระองก็เห็ว่านี่เป็นความดีไม่ทราาอะไในสมัยโสมองพะจีนซีรมาเพ็งดาสมารู้ะ้วยใจมเป็นปกติใ่อย่างพวกเราเราคิดมาี แล้วัอยกให้คุณนาสิ้นวันนีหากันมาฉันมาคุณไม่ทราบเสือนแ่วามเสงก็ไม่ได้สรคุณวิเศมันมีหวามมายถือว่าเคยสอดใส่แต่ภายเขาสอ่อยู่เป็นเรื่องกันดีกว่าฉันก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิตเพื่อเป็นุขเป็นตัวอย่างนีภาพเป็นพวกเราถือว่าเราทําเราทนดีแต่ว่าการออกอบบ อุ i าณิสัยก็แค่ราคันนี่คิดอะไรอย่างเงเรื่องขอราันเพราะว่าทราบว่าองค์สมเด็จพระพุทธวันดับแข็งก็สวดพรภินิหารท่านนะว่าในตอนนั้นเราไม่่อยความรู้ที่องค์สมเด็จพระุีสไว้คือริันนิพองถ้าใช้ในตอนนั้นจะทราบว่าองค์สมเด็จพระมารารมาถึงยอกัน ้จดเพราะว่ที่เดียวที่เราต้อยับยังให้อยู่เลยค่ะที่เขาทำมาใช่ตรงนี้ใช่ตรงนี้คือาทมาเลยเพราะเราไม่ได้ใช้บนความโงเพราเราใช้ารจริงอารรพ์เขาไม่ยใช้แต่เราปยาตเถว่าทุสิงทุกอย่างเป็นกฎทุกกรรมเป็นกฎุกธรมดาทาก็ปล่อยมันงเลยมันจะไปยันไงก็ช่างมันมันจะสุขมันจะทุกข์ทางใมันจขันข้นใมันอะไรกัน ก็อาการที่ไม่ใครจริงไม่รู้องค์สมเด็จพระนเรศวรมงคลยึดยักษ์ย่นเสืยแล้วองค์สมเด็จพระมหาวันนี้จะมีความตอนนี้หมอดังสัิตใแต่ขอพระติจารักสดั้งสถิตหมายตาว่าฤกษ์เจ้าไ้หมอดังสถิตมันใมีความใหม่กว่้นมาจัเรองความท่านต้หายบุนาที่พระองค์สมเด็จระมัมมาสัพุทธเจ้ายามมาข้าฤกษเจ้าถือว่าเป็นเกษ์ศ นับตั้งแต่บัดนี้ไปพระองค์สมเด็จพาะนาคามิสเตรโปรดอดทัวใดเข้านพร้าถ้ะมหารายก็กล่าวพอจาดลงไปวาระแรกแรกกดยากบากมากของพรองค์สมเด็จพระพุทธมีายายทลุลางเหล็กช้ลูกหนเหล็กแล้วก็ตะลุรางของแล้วลูกหินทองออกมาขึ้นในรป็นทั้งในงนอก ท้าเมื่อบาตรออกมาจากฐานจากอิจารากฎกพาะหน้าของคนัหมดก็มาหายจากศตราแลงสมเด็จก็จรมาถูกปัจจัยธรมะเป็นต่อ้มาหายจากศัตรูกมาจากานจ็กเมื่อบาทรพอบายพระองค์สเด็จพระพุทมีพระผ่าใจหายเข้าไปในอิจารและเวลาทันเวาก็ไปที่เทวานุตตร์ถ้าลูก สัมมาสัมพุทธิ์าิระพ m ะองค์สมเด็จพระสีนีมสานาสัมมาสัมทาในาตินี้าตินามันก็สงสายักไปมันกขึ้นมาย่งไรชาวบาก็สศกไปไม่มีใ่อไมา่าันก็มันก็คานหาข้าวอ้ว่ายว่าใครที่ติดเข้นมาแทนนายท่านเทวนาเท s นาตุส ในตอนนี้การขอสบุระองค์สมหรับการสำมาศเป็กเจ้าก็เสร็สิ้เมื่อขอสบเนตรแหนกเราเนื้วสิ่งมาแต่กันก็ปรากฏนั่นคือผ้ายีิอ๋าองค์สมเด็จพระบรมสุห้าร้อยคนสามร้อ0ห้าร้อยนไม่ไป4สี่ร้อยเก้าสิเ้านอีอย่างใดคัานที่เหลือเหลื่อง ที่เหออยู่ก็หอกันโดดคือว่าถ้าพระองค์เขาะด็กใจจรไงบริมาราเรียบร้อยรอยไหมขสดนิดรอยเลื่อนกันหน่อยรอยรอยเกลียดกนนิดจะทำใหนก็ไม่ดีมีแสงความมาแสดงข้อเรลยละพระองค์เขาเด็กใจสีบริมาราธรมมาสมอทุกเดอนเป็นอันว่าเมื่อพร้อมวาจบแล้วตั้งใจทต่อไปวันนี้จะไปเทื่อจะไปในบ่อยเวลานี้มันแต่ทะเลาสีสองนาทีน่าจะเอาเวลาห้าทา แต่ในีเป็นการเขาองค์สมเด็จมรนารุนนี้จะขอจุดประดิษฐานนี้ไว้หลังต่อไปหมดทางานท่านพระบรมอมัทหลายฝั่งและข้าจุมภคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสัมิุทมรมัยจารย์นาธมมาสมจเจ้ามีความดีอะไรบ้างว่าพระนารายณ์จททั่วตรงไหนทาไมพระนิสวาตัวว่าท่านทั่วเกินไปสำหรับสมเด็จ้า ป่าจรงก็เจ้าชงจมาได้ชีวมาได้ยั่งยั้งราะว่าคนท้าเขาย่ดีมากเขย่ละเอียมากองสมเด็จพราพุทธมีพระท่าเจ้าเปิว่ากะรมหหนึ่งพระองค์เนมือสีเ้าไปอยู่ในป่าเดินมาในป่าตใหญ่ม่ดอกบัวน้ำใสจริญอากาอแล้วก็อาบไปดูดอกัวดอกหนึ่งหลังจะมูชาพระนัก เวลานังมีริ้วเพื่อ้่าสวรรค์รากัเต็มที่ทนี้ี่าน้าว่าเจ้าขโมยรับหลบวกพวกเราไปไหนองค์เด็จยายามใจไปเรียนื่อนั้น่องของว่าจากนี้ไม่มีเจ้าของของในมือของเราจะอเอาได้เจ้าอาวาก็บอกว่าสอเป็นคนเท่าแต่เมื่องค์สมเบมาฉันเจ้าสาวว่าคนอื่นถือเอาถือว่าเป็นขโมยหรือเปล่า เขบอกว่าถเยาว่าตอฉันถืเอาจะไปดูชาพระนาน่าใจทำไมถืว่าเป็นยเขาก็บอกว่าคนอื่นมีจิตเลยมีจิตอากกระหามกเราเขาถือสำหรับท่านนี้เราเป็นนาก็บริยาน่ายุงยามาจัดเมื่อจะนาเอาเรื่องนัเราเป็นมนุษย์เราถือว่าท่านอยากเป็นคนรวยมีความดีมากเพรากมาไห ดังนั the ้นเราองเด็ดใจใจประมาทจังนาจังมาต้องเด็ดใจดับว่าไหนได้กบขา้นมารบกวนตัวอีกวะว่าท่านดีมากท่านดีมากเห็นวาการโยงสม็พระพมีพระักตเจ้าททักทานนี้ทุ่งเพงนิดหนึ่งไม่เด็สุขมท่านไม่ได้ปฏิบัติทางหรเป็นความั่วอย่างนั้นอย่างนี้บรรดาชาวพระองค์สมเ็พระมีพระท่าตั้งมแล้วก็ควรจะทํา จำแล้วก็นำไปปฏิบัติตามมากขึ้นที่ว่าคำรามมากในระตนารายณ์นี้ถิโดยเฉพาะอย่างนี้เราบริจา ว, าวกค็ควรผสมในใจสมหมายเสมอใจสิ่ของทเราโริจาคสนามมีสามอย่างอยากให้ส้องตาตกเข้าอันเป็นพระก็ถือว่ามา่างแล้วหมายความมาเป็นระวดาผมให้เลี้ยงหล่อพระสวาเ ป, เป็นเงก็มาเปงน คนกาตนเป็นอมตกับตุบากจารก่ายทูการประกาศตัวหลอกก็ม่ายจิตใอย่างนี้เราเืนหนึ่งมาที่ศีลเราศกษาการเดินาศีลตามเอกองตนอันบริสุทธิ์สองมาที honeymoon. ่ศกเจริญสมาธิเป <crew> ็น <gì> ศีลสมาีปัญญาศึกษาการให้ปัญญาทเกิาเป็นท่า การทําอย่างนี้ถึงแม้ว่าเรายังจะไม่เป็นอรหันต์เรายังไม่เป็นข้ารีเจ้าเราก็ทำทำเพื่อความเป็นข้ารีเจ้าเพื่อตักทีเลื่องกิเลสกับมรรคตมาถามตต่อไปแต่นั้นก็แน่นอจะพอว่กําลังใจกาลังตัวของท่านใด้่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก็ดีเพราะว่าตัวนิจใจที่อยู่บ้านมีงานหนักเขยืดเยื้อวันต่อว วนละบรรดาที่ศึกษามเติที่เป็นพระแต่ศีลพระโอ้ต้องมีการสมาจะไม่แตกน่ากว่าทิ่จนาจุดนี้ให้มาเพราะอยู่ในพระราชาสาวกมัสว่าสิึงกรดีสมาที่กรณีเรื่องายใหญก็ดีสี่ก็ทำกันนี้ก็เนการยับยั้งจิตให้ดังนัดแยกกาสตรวจในเวลาที่เขาไปลกรสอนบรรดาเราทั้งหลายเหล่านี้นั้นก็ไม่มีจิตอื่นเกิดขึ้นเ่อยากจน ไปาะเป็นรมความใจอย่างเขารื่องเปลอันนี้จะบัดจิทธิาถ้าเราไม่มีจิตใจื่นไม่เรียนเรียนไปไม่ร่วมใจกันบางคนถือว่าเป็นผู้กลางมกในคนธรรมชาติควรจะเป็นตัวอย่างคำว่าหาคนศึกษาตัวอย่างธรรมชาติควรจะไม่ทอย่างเดียวดายอันน้าจะคุณมุ่งจะได้ถือในทางสัตว์ธรรมเาติในวันนี้ถ้าตั้งใจฟังดีก็เป็นข้อพิจ้าในวันนี้เลย ไม่ต like ั้งตังตั้งใจตังในฝัานทุกคนก็ังมีจิตถงสุริะกายกันอยบาตั้งใจอย่างเลวก็ควรจะไอาตายาทูลพระละหมาดในวัตถามเดชนาตาแสดงวัตถามเดชนามาถึงเวลาไปแล้วก็เียดเดชมันเกเป็นสบูอาตมาจะขอจติิให้วัตามเทชนาลง้แต่เยงแค่นี้ในที่แสดงาัตามเดชนานี้อาตมาข้าพเจ้าพาะมาระัตน์ พระพุทธาสนาอ้อต่างกับปุญญาลิขานุกอมคุณฤาษีนักปัญญาที่เริ่พุทธะตะนักธรรมะตะนักสงธรระตะนักสามรายการออจงดลบันดาลให้มันมารงพุทธบริจรคเนหายทุกท่านอิจฉาีสุกข้ามานโนบายสทมิารที่มีความตั้งใจดีในพระพุทธศาสนาจงเป็นผู้รูุ้ความความที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้ว ว่าทำได้ดีโอ้สมเด็จพระบัณฑิตเจ้าสมมารัยจะนำมให้เราศึกาวาหมายถงมีจริยารีเอี่ยมชั้นนึ่งเานวาจากว่าเขาโอ้สมเด็จพระอมเกล้ามาตราจันดาสัติทั้งหมดจะเป็น่างไรจงเป็นผู้มีความรีเอี่ยในจริยการการกระติ้ในฐานะเป็นวเป็นเบุญเมรดงมาตา ยตัญญูแล้วว่าเป็นอาณาจีที่มีทางหน้าฝ้าในพระพุทธศาสนาจึงยังมีจตุรบารีของพุทธบริษัทราะในที่สุดนี้เขาบรมายของพุทธบริษัททั้งหมดจึงมีในคามถสักรัวดที่พระนะมงคลสมบูรณ์ุมผลและจรงยานะด้วยากตัวระพิทัองค์ไทยเนี่ยคืในการเีอายุวันะสุขาละละบุตา อ๋อทุท่านยังมีแต่วารกระเสขั้นนานทำใดดิโอเขเด็จเขาไปที่แตมาบริภาษเแ็งมาสันมากขาเป็นยากแ็นกลับไรขอบรรดาจงรู้ตระบริภาษาไรจะรู้ทำนั้นโดยจากภายในชาติจิตอยูังเีเถิดเือวังต้อมีก็เรียนรู้าระศรี